แต่อบาสกคนนี้แกมีปัญญาน่จาจะศรัทธาในพระเจ้านะแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะพระเจ้านี่ไม่น่าพูดอย่างนี้นะเมื่อกี้พูดอย่างหนึ่งตอนนี้มาพูดอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่วิสัยของพระตจ้าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคนที่อยู่ข้างหน้าเรานี่เป็นพระตจ้าจริงหรือแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าสงสัยจะเป็นมารแล้วมั้งนะพอพูดว่าท่านคือมารใช่ไหมเนี่ยมา น, นี่มันยอมแพ้เลยนะ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 เพราะว่าในใจเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมามีภาพขึ้นมาในใจว่าเด็กเนี่ยยื่นเงิน20บาทให้คนขายแต่โจทย์ไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยนะโจทย์บอกเพียงได่ว่ายื่นเงินให้นะอันนี้คือสิ่งที่เราปรุงขึ้นมาในใจนะแล้วมันก็ทำให้เราชะ ง, งักนะหรือว่าทำให้เราตอบไม่ถูกนะมันกลายเป็นติดตันเข้าไปเลยเพราะเรา